เสียงอานหนังสือดีการธรรมจักกับประวัตนาสูตรคำำํานําหนังสือดีการธรรมจักกับประวัตนาสูตรนี้เป็นของเก่าซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้แต่งเพราะในหน้าแรกของหนังสือเล่มนี้บอกแต่เพียงว่าของเก่าและพิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยพุทธศักราช2465ต่อจากหน้านี้ก็ถึงหน้าสารบัญแต่เขียนว่าสารบัญ สกดดิ้รอเรือพอผ่านกระรันและสำนวนหนังสือก็เก่ามากเข้าใจว่าครั้งแรกข้อความเหล่านี้คงเขียนไว้ในใบลานหรือไม่ก็สมุดคอยวิธีเขียนจะสังเกตได้ว่ามีสำนวนโ ว, วาหารคล้ายหนังสือพระปฐมมสมโพธิกถาซึ่งในคำนำหน้าแรกของหนังสือพระปฐมสมโพธิกถาฉบับที่พิมพ์โดยกรมศาสนาเมื่อพุทธศักราช2523กล่าไว้ว่า พระประทมะสมโพที่กรถาฉบับนี้เป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณชิตชิโนรถซึ่งได้ทรงรจนาถวายฉลองพระราชศสัทธาพระบาทสมเด็จพระนางกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามตามที่ได้ทรงอารัธนาเมื่อพุทธศักราช 2,387 สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นรัตน ก, กวีศีประเทศ ได้ส่งนิพนธ์เรื่องต่างๆไว้เป็นอันมากซึ่งล้วนแต่เป็นอรตะทั้งนั้นพระนิพนธ์ปฐมสมโพธิกถาก็เป็นอรระเช่นเดียวกันหนังสือพระปฐมสมโพธิกถาได้รจนาขึ้นเมื่อพุทธศักราชส3 8 7ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวและสำนวนหนังสือในดีกาธรรมจั ก, กปรปวัฒนสูตร กับสำนวนหนังสือในพระปฐมสมโพธกิกฐานี้คล้ายคลึงกันมากและจากข้อความในหนังสือทั้งสองเล่มนี้ก็แสดงให้เห็นว่าผู้แต่งมีความรู้แตกฉานในภาษาบาลีมากได้ศึกษาค้นคว้าอ่านทั้งคำภีพระไตยพิดกคำภีอัตถกถาและดีกายอย่างชนิดที่เรียกว่าเข้าใจความหมายถูกต้องจริงๆฉะนั้นจึงมีทางที่จะสันนิฐานได้ว่า หนังสือดีกาธรรมจักกับประวัตนสูตรนี้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชินโนรสได้ทรงนิพนธ์ขึ้นหรือไม่เช่นนั้นก็จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งซึ่งมีความรู้แตกฉาในภาษาบาลีร่วมสมัยเดียวกันกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชิโนรสได้เขียนขึ้นไว้และเมื่อครั้งโรงพิมพ์ไทยจัดพิมพ์ขึ้นนั้นก็คงจะไม่รู้ว่าใครเป็นผู้แต่ง แต่เห็นว่าเป็นหนังสือที่ดีมากก็เลยจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อรักษาของเก่าอันมีค่ายิ่งนี้ไว้เป็นนั้นว่าหนังสือดีกาธรรมจักรกับปวัฒนาสูตรนี้เป็นของเก่าจริงและก็สันนิฐานว่าคงจะแต่งขึ้นในยุคเดียวกับหนังสือพระปฐมสมโพธิคาถาซึ่งใครจะเป็นผู้เขียนขึ้นนั้นยังค้นหาหลักฐานที่แน่ชัดจริงๆไม่ได้แต่อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้นับว่าเป็นอั ญ, ญมณีที่มีค่ายิ่งสมควรแก่การที่จะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของพุทธศาสนาสืบต่อไปที่โรงพิมพ์ไทยได้จัดพิมพ์ขึ้นในครั้งนั้นคือเมื่อพุทธศักราช2465นั้นก็คงจะมีความประสงค์อย่างเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนั้นอันหนึ่งเมื่อคราวที่คุณจิตพึ่งประดิษฐ์ได้นาหนังสือเล่มนี้มาให้ข้าพเจ้าพิมพ โดยได้รับคำแนะนำจากคุณประภาสีบุญญาประสิทธิ์นั้นเมื่อข้าพเจ้าเห็นหนังสือครั้งแรกและพลิกดูปกในเห็นมีชื่อว่าของเก่าพิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยถนนรองเมืองกรุงเทพแต่ยังไม่ทันได้อ่านเนื้อเรื่องก็คิดว่านังสือเล่มนี้นาคาประทีปเป็นผู้เขียนเพราะโรงพิมพ์นี้กับนาคาประทีปนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่าง ใ, ใกล้ชิดมาก เมื่อเอ่ยชื่อหนังสือที่เขียนโดยนาคาประทีปก็จะต้องนึกถึงโรงพิมพ์ไทยเมื่อเอ่ยชื่อโรงพิมพ์ไทยก็ต้องนึกถึงนาคาประทีปเพราะเท่าที่ปรากฏหนังสือที่เขียนโดยนาคาประทีปเช่นปาลีสยามอภิธานซึ่งพิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2465ก็พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยหนังสือพระไตรปิฎกแปลซึ่งมีอยู่หลายเล่มและปลโดยนาคาประทีปนั้น พิมพ์ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2469ก็พิมพ์ที่รวงพิมพ์ไทยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าโรงพิมพ์ไทยกับนาคาประทีปนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดมากแต่โรงพิมพ์ไทยนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของแท้ๆคือคุณโสพิษอักษรการขอให้สังเกตว่าหนังสือดีกาธรรมจักรกับประวันสูตรพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2465 กาลีสยามอภิธานพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2465พระไตปิกแปลพิมพ์เมื่อพุทธศักราช2469หนังสือสองเล่มหลังนี้บอกไว้ชัดว่าเป็นของนาคประทีปเป็นผู้แปลเป็นผู้เขียนขึ้นส่วนดีการธรรมจักรกับประวัตนาสูตรนั้นบอกแต่ว่าเป็นของเก่าแต่ไม่ได้บอกไว้ว่ า, วาใครเป็นผู้เขียนหรือผู้แต่งขึ้นบอกแต่เพียงว่า พิมพ์ที่โรงพิมพ์ไทยฉะนั้นจึงเป็นไปได้ว่าหนังสือธรรมจักรกับประวัตนสูตรนี้ผู้ที่ค้นคว้าหาต้นฉบับมาพิมพ์และตรวจชำระด้วยนั้นจะเป็นคนอื่นไปไม่ได้นอกจากนาคาประทีปแต่เพราะเหตุที่ท่านไม่ใช่เป็นผู้แต่งเป็นผู้เขียนฉะนั้นจึงไม่ใส่ชื่อท่านไว้และอีกประการหนึ่งบุคคลที่มีความรู้เชี่ยวชาญในภาษาบาลีสันสกฤตและอังกฤษด้วยนั้น ในรุ่นยุคใกล้เคียงกับพุทธศักราชดังที่กล่าวมานั้นที่เป็นคารวาสไม่เคยปรากฏว่ามีใครนอกจากอีกท่านหนึ่งคือหลวงเทพดารุณานุสิทธตเทวีธรรมทัตปริเรียนธรรมเก้าประโยคแต่ท่านผู้นี้มีความสนใจและมีความรู้เชี่ยวชาญแต่ในเชิงนิรุกติศาสตร์ไม่ปรากฏว่าได้เขียนหนังสือแบบท่านนาคาประทีปฉะนั้นจึงเข้าใจว่าผู้ที่รวบรวมหนังสือดีกาธรรมจักกับประวัตนาสูตรมาพิมพ์นี้ คงเป็นท่านนาคาประทีปซึ่งมีชื่อเดิมว่าตรีนาคาประทีปเป็นป ร, ริยญาเจประโยคคุณจิตพึ่งประดิษฐ์ได้บอกกับข้าพเจ้าว่าท่านรักหนังสือเล่มนี้มากอ่านแล้วอ่านอีนอกจนเกือบจะจําข้อความไว้ได้ทั้งหมดและต้องการจะให้หนังสือเล่มนี้ได้ยั่งยืนสืบต่อไปอีกซึ่งก็คงจะเป็นเช่นเดียวกับที่โรงพิมพ์ไทยได้จัดการพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ก็ด้วยความประสงค์จะให้เรื่องนี้เป็นที่ปรากฏแก่ผู้ที่สนใจใคร่ในธรรมทั้งหลายและต้องการจะรักษาของเก่าไว้ซึ่งถ้าไม่ได้จัดพิมพ์ไว้ในครั้งนั้นแล้วจนป่านี้ก็คงไม่มีใครรู้จักหนังสือเล่มนี้แน่นอนและถ้าหากคุณจิตพึ่งประดิษฐ์ไม่ได้จัดการพิมพ์ขึ้นอีกอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่ข้าพเจ้าเองก็คงไม่มีโอกาสได้เห็นหนังสืออันมีค่าเช่นนี้เช่นเดียวกัน และไม่เคยคิดมาก่อนด้วยว่าในสมัยโบราณท่านก็ได้อุตสาหะเรียบเรียงเรื่องธรรมจักรขึ้นมาในลนนักษณะนี้คือมีพร้อมทั้งคําอธิบายจากคัมภีอัตถกาถาและดีกาและในสมัยปัจจุบันข้าพเจ้าก็ยังไม่เคยเห็นใครเขียนหรือเรียบเรียงเรื่องธรรมจักรออกมาในลักษณะนนที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ฉะ น, นั้นจึงนับว่าการที่คุณจิตพึ่งประดิษฐ์ได้จัดให้มีการพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาใหม่นั้น จึงนับว่าเป็นมหากุศลและข้าพเจ้าก็รู้สึกอนุโมทนาในการกุศลครั้งนี้ด้วยความจริงใจอย่างยิ่งลงชื่อพรรัตนาสุวรรณสิบแปดมีนาคมพุทธศักราชสองพันห้ารอยสามสิบสัพเพสัตตาสถทาโหนตุอเวราสุขาชีวิโนกตังปุญญพลังไมหังสัพเพพาคีพวันตุเต ขอปวงสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีเวรต่อกันเป็นผู้เดํมรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิดขอสัตว์ทั้งสิ้นนั้นจงเป็นผู้มีส่วนได้เสวยผลบุญอันข้าพเจ้าบำเพ็ญแล้วนั้นเถิดด้วยความปรารถนาจากในจิตพึ่งประดิษฐ์หมายเหตุผู้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นของเก่าและการพิมพ์อาจมีผิดพลาดหลายคาเป็นสั์โบราณ และส่วนหนึ่งเป็นภาษาบาลีถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่านและดาวน์โหลดต้นฉบับได้ที่เว็บไซต์ j o โช o net